สั่งใจสมาทานสินก่อนที่จะสมาทานสิลหลวงพ่อจะขอแนะนําคุณค่าประโยชน์ของสินให้กับคณะสัตยาญาณโฉมแต่ก็รู้ละครูบาอาจารย์มาไม่รู้ว่ากี่ท่านกี่รูปนะแต่ก็เป็นที่หลวงพ่อมานะก็ย้ําอีกจุดหนึ่งเพื่อให้อคณะสัตยาญาณโฉมลูกหลานเพราะว่าการอยู่ด้วยกันมากมาย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 ถ้ามีการโกหกมากๆขึ้นมาพวกเราอย่าหวังในความสุขจะเกิดขึ้นพราะพระเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการอยู่ด้วยกันท่าโกหกกันไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นให้พวกเราสำรวมระวังอันนี้คือศินข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราเมระยะมัชช้าประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคําว่าสุราเหล้าเมลยัยเบียร์ขันชายาฝิ่นเฮรโรอีนโคเคน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 แต่บางครั้งเร่งไปในทางที่เร็วนี่เฉยมันเป็นส่วนมากพอใจของเรามันไปทางต่ําอยู่แล้วอพอมันไหลไหลกับไหลไปทางต่ําเพราะฉะนั้นอขอให้พวกเราคณะัทายาทโฉมลูกหลานทุกคนเนะที่เป็นสถานที่ฝึกทั้งหัดทางด้านจิตใจหลวงพ่อว่าว่ามีประโยชน์มากสําหรับชุมชนสังคมแต่ละจุดนะควรจะเป็น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 แต่นี่มาถึงเมื่อเช้านี่หลวงพ่อสามนะแหมหลวงพ่อสามองที่ปทายที่เป็นรุ่นน้องของหลวงพ่อเคยอยู่บัตรด้วยกันถด้ก็มาพบกับหลวงพ่อตอนเย็นเมื่อวานเนี่ยท่านก็ว่าเออผมรู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีมันรู้สึกวิยงเวียงซีษะแล้วก็มีไข้ด้วยหลวงพ่อเออน่าจะตรวจให้ดีนะ่าสามว่ า, บ, าบ้านเมืองยุคสมัยทุกวันนี่หมอ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 สอนที่คนยังไม่รู้เราก็ไปสอนให้อย่างนั้นได้แต่ว่าจะสอนให้ลึกซึ้งกว่านั้นลงไปเนี่ยอันนี้มันต้องศึกษานะที่นี่นะสมาธินี่สมาธิคานี้ถ้าหาว่าฝึกใ ห, ให้ดีก็ดีนะต้องศึกษาให้ถีท่วนท่วนทีพอสมควรเพราะนั้นหลวงพ่อเองตั้งแต่เป็นสมณน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 แล้วยังนํามาพิจารณาทางวิปัตินาเดินวิปัตินาต่อไปใช่ไหมเอออันนี้คือสมถตคือทําจิตใจให้สงบมีมากมายมีมากหลากหลายครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันนี้นะแต่ถึือยังไงก็ตามหลวงพ่อขอย้ําเตือนเคบอกกล่าวสมาธิคําว่าสมาธิสมาธิคํานี้ถ้าว่าครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวไป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 จิตเป็นอะไรสติเป็นอันน้นพอถอนขึ้นมาเราจะมีความสุขเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวา่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราได้สัมผัสในจิตใจสงบประเพทนั้นคือจิตใจสงบนิ่งนี่แหละหลักธรรมคำสอนเราก็รู้ได้อีกว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูงเลยนะพอจิตใจของเรา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 แต่นี้เจดีลงตาเนี่ยเซ็นสัญญาไปแล้วนะจะพ่อพระเจดีกับพ่อวิหารสองอย่างเนี่ยสี่ร้อยเก้าสิบล้านเงินพอแล้วนะเ อ, อพิพิธภัณฑ์เซ็นสัญญาเมื่อวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบสิงหาที่ผ่านมาแลเมษาที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านพอแล้วนะ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 สนองตอบรับออกมาอะไรกันเนี่ยที่สวนจังทามก็พระองค์โสมสวรีกับหม่อมสาลลีถอดผ้าป่ า, าวันนั้นก็ได้สิบห้ากิโลนะลูกหลานนะที่สวนจังทามจากนั้นก็มีผู้สนองทง้งจังหวัดต่างๆสง่สงเข้ามาโพี่สดได้ทองคำทั้งหมดหนะึ่งร้อยเจ็ดสิบสองกิโลเนี ช่องคำนะเจ็ดถึงร้อสิบสองเงินอีกสามสิบสามสิบล้านบาทเออทีเงินที่มัน ท, ทีเงินนั่นเหลือนะ่ะสามสบล้านบาททีเงินเหลือนี่แหละอันนี้หลวงพ่อเขาคิดว่าอืมแต่ที่มาหล่อยอดพระเจดีเมื่อวันที่สิบเอ็ดเก็บเข้าไปในพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อก่อนลงมาในวันนี้วันที่สิบสี่ใช่ไหมละ่ะจัตไทายญาติโยมเออแล้ววันที่สิบเอ็ด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 มหาบัวของเราเป็นผู้มีพระคุณถ้าพวกเราไปกราบโอ้พระเจดีย์ของโลงตานี่ข้าไปเจ้ามีส่วนมีส่วนได้ทำบุญร่วมอยู่ในในพระเจดีย์ของโรงตาเราก็จะได้ภาคภูมิใจไม่ใช่หรอนะออแล้วพอเนี่ยี่ยรุกรานจะไปทำงานวันนี้มันเกินเวลาหรือเปล่านี่วะ